การรับกรรมฐานในการรับกรรมฐานท่านในทำเป็นพิธีการสักหน่อยคือเข้าไปหาท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วกล่าวคำมอบถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าทำหนองนี้ว่าอิมาหังภัควาอัตภาวังตุมหากังปริจจฉามิแปลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขอสละอัตภาพนี้แด่พระองค์หรือจะแปลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตแด่พระองค์ก็ได้หรือมอบตัวแก่พระอาจารย์ก็ได้ว่าอิมาหังพันเตอัตพาวังตุมหากังปริจจชามิแปลว่าข้าแต่ท่านพระอาจารย์ข้าพระเจ้าขอสละอัตภาพนี้แด่ท่าน หรือจะแปลว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าขอถวายชีวิตนี้แด่ท่านก็ได้การมอบตัวให้นี้เป็นกวลวิธีสร้างความรู้สึกให้ปฏิบัติอย่างจริงจังเด็ดเดียวช่วยทําลายความหวาดกลัวทําให้ว่าง่ายทําให้ความรู้สึกระหว่างอาจารย์กับผู้ปฏิบัติถึงกันและเปิดโอกาสให้อาจารย์สอนและช่วยในการฝึกได้อย่างเต็มที่พร้อมนั้น พึงทำพื้นใจของตนให้ประกอบด้วยอโลภะอโทสะอะโมหะเนคัมมะความฝ่สงัดและความรอดพ้นกับทั้งทำจิตให้น้มน้อมไปในสมาธิและนิพพานแล้วขอกรรมฐานฝ่ายพระอาจารย์ถ้ารู้จิตใจสิทธิ์ได้ก็กำหนดจริยาด้วยญาณนั้นถ้ามิฉะนั้นก็สอบถามให้รู้เช่นว่า เธอเป็นพวกจริตใดลักษณะอาการความรู้สึกนึกคิดของเธอส่วนมากเป็นอย่างไรเธอนึกถึงพิจารณาอะไรแล้วสบายใจเธอน้อมไปในกรรมฐานไหนเป็นต้นแล้วบอกกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของเขานั้นชี้แจงให้รู้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติทําอย่างไรวิธีกําหนดแล ะ, จะเจริญทําอย่างไรนิมิตเป็นอย่างไรสมาธิมีขั้นตอนอย่างไร วิธีรักษาเลี้ยงและทำสมาธิให้มีกำลังมากขึ้นทำอย่างไรเป็นต้นตามที่ท่านแสดงในตอนว่าด้วยการเจริญอานาปานสติว่าให้เรียนกรรมฐานที่มีสนธิ5คือเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน5ข้อหรือ5ภาคได้แก่ 1. อุกขะะเรียนหลักของกรรมฐานตามแบบแผนหรือตำรา 2. ปริปุชฌา สอบถามความหมายและข้อสงสัยให้เสร็จสิ้น 3. อุปัฏฐานะการปรากฏแห่งนิมิตกรรมฐานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น 4. อัปปนาการที่กรรมฐานจะแน่วแน่ถึงขั้นฌาญได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ 5. ลักษณะกำหนดสภาพของกรรมฐานว่ากรรมฐานนี้มีลักษณะอย่างนี้จะสำเร็จด้วยทำอย่างนี้อย่างนี้